ทุกเย็นตอนท้ายของการทําวัดก็จะมีการกรวดน้ำนะเลียกากรวดน้ำตอนเย็นแล้วก็แผ่เมตตากรวดน้ำเย็นนี่เราไม่มีน้ำนะแต่ว่าใช้ใจน้อมอุทิศความดีบุญกุศลให้แก่ สิ่งต่างๆมากมายการกรวดน้ำนี่ไม่เป็นต้องใช้น้ำก็ได้นะแค่ใช้ใจน้อมไปเพราะใจนี้ก็ก็มีน้ำอยู่เรียกว่าน้ำใจเมื่อเรากรวดน้ำหรือว่าเราอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ควบคู่ไปกับการแผ่เมตตา อันนี้มันก็ช่วยทำให้ใจเราสงบเย็นการกวดน้ำไม่ว่าเช้าหรือเย็นขอให้สังเกตนะว่ามันเป็นการน้อมใจนึกถึงผู้อื่นชาวพุทธเราเนี่ยเมื่อเราทำความดีนะเราก็จะนึกถึงผู้อื่นก่อนเพื่อให้เขาได้รับ อันที่สองเห็นความดีหรือบุญกษษุศลของเราด้วยอันนี้มันเป็นเป็นจิตบิญญายของชาวพุทธนะคือการนึกถึงผู้อื่นนะเมื่อเราทำความดีแล้วก็อยากจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้เขาได้รับส่วนบุญนั้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณไปยน์ถึง ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะไปถึงเทวดามารพรหมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นยมราชมนุษย์มิตรนะอย่างที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยทั้งยมราชทั้งมนุษย์ทั้งผู้ที่เป็นมิตรผู้ที่เป็นกลางๆงคือผู้ที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้ชังอะไรคือเฉยเฉยรวมทั้งผู้ที่มุ่งร้ายต่อเรานะผู้จ้องแผาน ผู้ที่มุ่งร้ายคิดร้ายต่อเราเราก็ไม่ได้ชังไม่ได้โกรธเราก็แผ่ส่วนบุญให้เขาด้วยให้เขาได้รับอนิสงฆ์แห่งบุญกุศลที่เราได้ทำอันนี้มันเป็นเป็นจิตวิ น, นัยของชาวพุทธนะที่เราเราไม่โกรธเกลียดแม้กระทั่งผู้ที่มุ่งร้ายกับเราเพราะว่าคนที่เขาโ ก, กรธเกลียรอนี้เขาก็ทุกข์นะ เขาทุกข์เพราะความโกรธความเกลียดที่เผาลนจิตใจเขาและชาวาพุทเราก็ฉลาดพอที่จะไม่โกรธเกลียดตามเขาไปด้วยเพราะว่านั่นก็จะเป็นการทําทร้ายตัวเองถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราต้องไม่เปิดโอกาสให้ความโกรธความเกลียดมาครอบงําใจรวมทั้งความเครียดความกังวลวิตกความเศร้าโศก เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับจิตใจเลยแล้วก็เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วยถ้าเรารักตัวเองอยากจะมีความสุขทั้งกายและใจก็ไม่ควรเปิดโอกาสให้ความโกรธความเกลียดนะเหล่านี้มีช่องมาครอบงําใจวิธีการที่จะช่วยไม่ให้ความโกรธความเกลียดมาครอบงําใจคือการแผ่เมตตารวมทั้งการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ คนเหล่านั้นนะที่เขาคิดไม่ดีกับเรานอกจากาการแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสิ่งนะทั้งที่อยู่ใกล้และไกลทั้งที่มีบุญคุณกับเราหรือไม่ได้มีบุญคุณกับเราหรือแม้กระทั่งผู้ที่จองปองร้ายกับ ต่อเราแล้วเนี่ยก็ให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราอุททำความดีด้วยการอุที่ส่วนบุญไปให้แล้วเนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากความดีที่เราได้ทําคือไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องอะไรเข้าตัวเลยนะท่าน้ทนาที่เราก็ได้ทําบุญมาเราได้พาเพญบุญมาตลอดทั้งวันบุญในที่นี้คือความดี เมื่อทำแล้วนะนอกจากเราแผ่อุที่ส่วนกุศลให้กับผู้อื่นแล้วนะเราก็ยังไม่ได้ขออะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเองในความหมายที่เป็นเรื่องของนะทรัพย์สินเงินทองความมั่งมีสีสุขเดี๋ยวนี้เวลาคนทาความดีนะเช่นการให้ทานกับ ร, รักษาศีล เวลาทิฏฐานอธิฐานในที่นี้หมายถึงการตั้งจิตก็จะป่าวรบว่าหรือตั้งความหวังว่าอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ทาบุญแล้วก็อยากจะร่ำรวยอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีความสาเร็จในการงานอยากจะมีครอบครัวดีมีแฟนดีมีคู่ครองดีอันนี้คือความมุ่งหวังคนเรา จำนวนไม่น้อยสมัยนี้เวลาทําความดีทําบุญทากุศลแต่ว่าสังเกตดูนะจากที่เราสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีตอนท้ายที่ได้ตั้งตั้งความปรารถนาว่าบุญกุศลที่เราได้ทํานั้นเนี่ยมันจะมีจะเกิดผลอย่างไรกับเราผลที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลที่เป็นเรื่องความ ความมั่งมีนะความร่ํารวยนะที่จริงเนี่ยบทกรวดน้ํานี่มีอีกตอนหนึ่งที่ต่อท้ายซึ่งอันนั้นดีมากนะก็จะพูดเลยว่าถ้าจะตั้งถ้าจะหวังนะจากการทําความดีก็หวังว่าความดีที่เราทํานั้นจะช่วยตัดตัวตัณหาอุปาทานสิ่งชั่วนในดวงใจให้มาลายสิ้นจากสันดานคือหวังนะ ปรารถนาให้กิเลสตัณหามันเบาบางไปจากใจของเราไม่ได้อยากรวยไม่ได้หวังความมั่งมีหวังราบยศแต่หวังให้ความกิเลสตัณหาเบาบางลงหรือว่ามันลายไปจากใจแล้วก็ถ้าจะขอก็ขอให้มีนะ มีสติมีปัญญานะมีความเพียรนะอันนี้เราสามารถจะอ่านนะจากหนังสือของเราได้ว่าตอนท้ายเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยให้มีจิตตรงและสติพร้อมทั้งปัญญาประเสริฐนะคือปรารถนาจะให้มีคุณธรรมที่ดีๆเกิดขึ้นในจิตใจ นอกจากมีสติมีปัญญาแล้วก็ขอยมีความเพียร น, นะเพื่ออะไรเพื่อขูดกิเลสนะขูดกิเลสให้มันหายไปจากจิตใจแล้วก็มีการขอว่าเนี่ยขอโอกาสอย่าพึงมีแก่มูมานสิ้นทั้งหลายนะอย่าให้โอกาสอย่าให้มามีโอกาสมาครอม ง, งำใจนะขอให้มานนะอย่า มาครอบงำใจนะขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องนะขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องนะอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินน่าจนได้ว่าไ ม, ไ, ไม่ได้เรียกร้องปรารถนาความสุขที่ผู้คนเขาแสวงหากันคือความสุขที่เป็นวัตถุเงินทองทรัพย์สิน แต่หวังความจเจริญงอกงามในจิตใจนะให้มีสติให้มีปัญญาให้มีความเพียรเพื่อจะได้ขูดกิเลสให้มาลายไปจากสันดานนะถ้าจะขอก็ขอให้มีความดีเป็นเครื่องปกป้องรักษาใจไม่ให้หมู่มารได้ช่องนะอันนี้แหละคือคือจิตวิญญายของชาวพุทธนะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่ายศทรั์อำนาจสิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นจุดหมายของชีวิตมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ช่วยทําให้ชีวิตดําเนินไปได้ที่จริงถ้าจะเป็นจุดหมายก็เป็นจุดหมายแค่จุดหมายขั้นต้น ในคำสอนของพทุทธเจ้านี่ท่านจะพูดถึงจุดหมายของชีวิตเอาไว้จุดหมายหรือประโยชน์ของชีวิตพวกเรามักจะถามว่าเกิดมาทำไมคำถามนี้ก็ตอบยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทำให้ตัวเราเกิดมาเราไม่ได้เป็นคนเลือกให้ตัวเองเกิดมาในโลกนี้แต่ถ้าถามหมายว่าเออเราอยู่เพื่ออะไรเรามีจุดมุ่งหมายชีวิตอย่างไร หรือเราควรมีจุดมุ่งหมายชีวยอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะตอบได้ด้วยตัวเองเกิดมาทําไมเราไม่รู้แต่เราตอบได้ว่าอยู่ไปทําไมนะอยู่ไปทําไมคือการอยู่แบบมีจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าได้ไไดด้้ดชี้แนะให้กับพวกเราเนี่ยนะก็มีอยู่หลายขั้นขั้นแรกเลยนะกเน็เป็นจุดหมายเบื้องต้น ก็คือการมีสุขภาพดีมีงานดีมีเงินดีด้วยก็ได้เพราะงานดีและเงินดีก็มักจะมาด้วยกันมีสุขภาพดีมีงานดีเงินดีมีสถานภาพดีเช่นนี้ก็หมายถึงความสำเร็จเช่นมีตำแหน่งงานการดีแล้วก็มีครอบครัวดีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็มุ่งหวังพนะระเจ้าก็ ตัดว่าอันนี้ก็เป็นจุดหมายของชีวิตอย่างหนึ่งนะการมีสุขภาพดีมีงานดีมีสถานภาพดีมีครอบครัวดีถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ามีชีวิตที่ดีแต่ถามว่าแค่นี้พอไหมพุทธศาสนาบอกว่าไม่พอเพราะว่ามันมีชีวิตที่ดีกว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่า มีชีวิตที่ดีแล้วนะก็ยังไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขนะอาจจะสุขกายแต่ว่าใจอาจจะไม่สุขก็ได้นะเพราะว่าเราก็อาจจะเคยเจอคนที่เขาก็มีสุขภาพดีมีงานดีมีตำแหน่งดีครอบครัวก็ดีนะแต่เขาก็มีความทุกข์ น, ะนันจะต้องมี จุดหมายช่วงจะต้องไปมากกว่านั้นนะเพราะว่าในช่วงเราเนี่ยมันมีสิ่งดีกว่าที่เราสามารถจะเข้าถึงได้สุขภาพดีเงินดีงานดีสถานภาพดี ค, ครอบครัวดีเนี่ยอันนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์เบื้องต้นเรียกง่ายๆว่าเป็นความสุขทั้งโลกเราต้องไปให้ถึง หรือเข้าไ้ถึงความสุขทางธรรมหรือว่าประโยชน์ที่มันเลยจากที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจเกิดได้อย่างไรนะก็เกิดได้จากการที่จิตใจเรามีความอบอุ่นซาบซึ้งไม่รู้สึกเลื่อนลอยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามอคนเราเนี่ยปุถุชนเราก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจ สิ่งที่ยึดนในจิตใจนี้ก็เชื่อมโยงโดยอาศัยศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามก็จะทำให้เรามีจิตใจที่อบอุ่นนะเรามีความมั่นคงในจิตใจถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ของดีนี่ก็อาจจะทุกได้ง่ายนะเช่นศรัทธาในเงินทองเดี๋ยวนี้คนจำนวนไม่น้อยนสนศรัทธาในเงินทอง เอาเงินทองเป็นจุดหมายของชีวิตแล้วคิดว่าถ้ามีเงินทองมีความร่ำรวยแล้วชีวิตจะนะราบรื่นนะมันไม่ใชนะ่เพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอคนที่สาทานในเงินทองนี่จิตใจเขาจะร้อนรุ่มนะเขาจะดีใจที่ได้เงินได้ทองมาแต่เขาก็จะเสียใจเมื่อเขารู้ว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นหรือเขาเห็นคนอื่นมีเงินมากกว่าเขานะ อันนี้ไม่ใช่เป็นศรัทธาที่ดีศรัทธาที่ดีก็เช่นศรัทธาในพระตนัตไตรซึ่งเป็นตัวแทนความดีเมื่อเรามีพระตนนัตไตรเป็นเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยก็ง่ายที่เราจะมีจิตใจที่มั่นคงมีความซาบซึ่งอบอุ่นความสุขทั้งโลกยังรวมถึงการที่เรามีความภูมิใจที่ได้ทําความดี นะเรามีความภูมิใจในชีวิตที่สะอาดชีวิตจะสะอาดได้ก็คือการที่ทําความดีนะมีศีลถ้าเรามีศีลคือเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราซื่อสัตย์สุจริต ก, ก็ทําให้เราเกิดความภูมิใจนะและถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ําใจ เราก็จะรู้สึกมีความอิ่มใจอิ่มใจในชีวิตนี้ที่ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นเป็นความอิ่มใจในชีวิตที่มีคุณค่านะการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นโดยพระพู้ตกทุกได้ ย, ยาก น, นี่มันทำให้เราสึกว่าเรามีคุณค่าขึ้นเราทําให้เกิดความอิ่มใจคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยเขาจะมีความทุกข์ได้ง่ายนะแม้เขาจะมีเงินมีท้องมากมายแต่ลึกๆเขาก็รู้สึกว่าข้างในมั น, มนขาด ความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคนเราท้ารสึกช่วไร้คุณค่าแล้วเนี่ยเงินทองมากมายก็ไม่ได้ช่วยนะและคุณค่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความอิ่มใจปูมใจคือการที่เราได้ทําความดีได้ช่วยเหลือเ อ, อืเ้อเฟื้อเอื้อคุณผู้อื่นนี่ทางพุทธวาจ า, านะจาระหรือว่าบริจาคนั่นแหละเพราะบริจาค ก, ก็มาจากคำว่าจาระคือความเ อ, อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่อบอุ่นใจแล้ว ภูมิใจแล้วอิ่มใจแล้วนะความอีกอันนึงที่ช่วยได้มากคือความรู้สึกความมั่นใจความกล้าหาซึ่งเกิดจากการที่มีปัญญามีความเข้าใจในชีวิตนะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้นะอันนี้มันเป็นมันเป็นธรรมะที่จะช่วยทําให้เราเกิดความสุขใจนะ ซึ่งก็สรุปง่ายๆว่ามีศรัทธามีศีลมีจาก่ะมีปัญญาคำเหล่านี้เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้วมันมีคุณค่าอย่างไรต่อจิตใจชีวิตที่ดีที่ดีกว่านะชีวิตที่ดีกว่าการมีเงินมีทองนะมีงานดีเงินดีสถานภาพดีมีครอบครัวดีคือชีวิตที่มีธรรมะเหล่านี้แหละซึ่งจะทำให้เกิดความสุขใจ แล้วก็เป็นหลักประกันสําหรับพบใหม่นะเป็นหลักประกันสําหรับพบใหม่หมายความว่าคนไทยเราเชื่อว่าเนี่ยชาวาพุทธเราเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้ทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ไปมีพบใหม่ที่ดีขึ้นนะที่จริงนอกจากศรัทธาศีลจารค้ปัญญาแล้วก็ยังมีธรรมะอีกหลายอีกหลา ย, อ, ลายอีกหลายตัวนะ ที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขใจได้เช่นมีสติสัมปชัญญะนะนที่เรามาเจริญสติกันนะก็เพื่อที่จะสร้างนะพื้นฐานให้ใจเรามีความสุขสามารถจะดำเนินชีวิตได้นะโดยความมั่นคงมั่นใจด้วยความรูออม้สึดโปร่งเบาแต่ถามว่าเท่านี้พอหรือยังภูศาสนาบอกว่ายังไม่พอยังมีอีกนะ เป็นจุดหมายสุดท้ายจุดหมายสูงสุดนะจุดหมายสูงสุดทีเรียกว่าปรมธธาถะประมัธธาถะหรือที่เราได้ยินเขาว่าปรมัตถธรรมอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่เจ็บเนี่ยเข้าถึงภาวะที่อิสระโปร่งเบาไม่ไม่ว่ามีอะไรผันผวนแปรปรวนไงก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวตามเช่นเจ็บป่วยยางไร หรือว่าแก่ชราแก่ตัวไม่มีกำลังวังชาหรือว่าเงินทองไรหรอะไม่ประสบความสำเร็จถูกคาถูกเข้าวิพากวิจารต่อว่าด่าทอซึ่งเป็นธรรมดาโลกแต่ว่าใจก็ไม่กระเพื่อมใจก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ อิสระจากความผันผวนแปรปรวนอันเป็นธรรมดาโลกเป็นจิตใจที่มั่นคงมีความสุขได้ในทุกที่มีชีวิชีวาได้ในทุกเวลาในทุกสถานการณ์ไม่ว่าในยามยามขึ้นหรือยามลงไม่ว่ายามสำเร็จหรือว่ายามล้มเหลวนะไม่ว่าในยามที่ได้รับคำชื่นชมสารเสหรือว่าต่อว่าด่าทอจิตใจก็เป็นปกตินะ เพาเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ไม่เอาความสุขของตัวเองไปผูกติดไว้กับสิ่งเหล่านี้มันจะผันผวนแปรปวน ย, ยังไงจะขึ้นหรือลงก็เป็นเรื่องของมันนะใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนะเหมือนกับเราอยู่หลังคาเหมือนกับเราอยู่ศาลานเนี่ยฝนจะตกแดดจะออกยังไงนะเราก็ไม่เปรียบแดดก็ไม่มาไม่มาเผาแผดเผานะให้เรารุ่มร้อน อันนี้เรียกว่าฝนตกอย่างไรฟ้าร้องอย่างไรก็ไม่กระกระเพื่อมไม่ทำให้ใจกระเทือนอันนี้เรคือจุดหมายสูงสุดนะของของของชีวิตนะสาราชาพูดแล้วเนี่ยนั่นนี่แหละนะคือจุดหมายที่เราต้องไปถึงและเป็นเป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่พึงจะได้จากชีวิตนี้นะการที่พวกเรามามาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ย มันก็เท่ากับว่าเรากำลังเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะในการที่จะได้เข้าถึงความสุขทางใจหรือว่าได้มีชีวิตที่ดีกว่าที่ชาวโลกเขาปรารถนาชาวโลกเขาปรารถนาแค่ชีวิตที่ดีแต่เราสามารถจะเข้าถึงชีวิตที่ดีกว่าหรือว่าสามารถจะเข้าถึงชีวิตที่ดีที่สุดได้ มันมีดีแล้วก็ดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดนะคนส่วนใหญ่ก็หวังแค่มีชีวิตที่ดีมีเงินดีงานดีสุขภาพดีนะครอบครัวดีแล้วเขาไม่คิดว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นหลายคนเวลาทำบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานก็จะหวังแค่นี้แหละนะขอให้มีเงินมีทอง มีความสำเร็จในการงานนะมีหน้าที่ตำแหน่งที่สูงมีครอบครัวดีแต่ว่าไม่ไม่มองเลยไปถึงขั้นว่าที่จริงมันดีกว่านั้นมันมีที่ดีกว่านั้นนะก็คือจิตที่ไม่มีตัณหาอุปาทานจิตที่มีสติมีปัญญานะมีความภาคเพียรพยายาม หรือว่ามุ่งไปถึงขั้นว่าให้ได้เข้าถึงนิพพานเลยนะคนไทยสมัยก่อนเวลาทาบุญเนี่ยเขาเขาไม่มาขอให้ร่ารวยนะเขาขอถ้าจะขอก็มุ่งนิพพานเลยนะิพพานอภิยโหตุนี่ก็เป็นคำที่คนไทยสมัยก่อนคุ้นนะอธิษฐานเวลาใส่บาตก็อธิษฐานแค่สั้นๆ น, นะนิพพานอภิญโหตุคือมุ่งไปถึงประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะได้จากชีวิตนี้ ประโยชน์ต่ำๆนี่เขาไม่เอาเพราะเขารู้ว่ามันไม่มันไม่ใช่เป็นเป็นหลักประกันแหความสุขที่แท้มีเงินก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขนะมีสุขภาพดีก็ยังอยากจะฆ่าตัวตายนะถ้าคนที่ฆ่าตัวตายจำนวนไม่น้อยก็มีสุขภาพดีนะบางทีก็มีเงินมีทองด้วยแต่ทําไมเขาถึงทํำลายตัวเองเพราะเขาไม่พบความสุขใจเ้าควานหาความอิ่มใจไม่เจอเขาไม่รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในชีวิตนะ เขาขาดความมั่นคงนะในจิตใจดังั้นคนคนไทยสมัยก่อนเขาฉลาด น, นะเมื่อเมื่อปรารถนาอันที่สูงจากการทําความดีทําบุญกุศลเนี่ยเขาก็จะมุ่งไปที่ตรงนี้เลยนะมุ่งไปสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐกว่าหรือว่าประเสริฐสูงสุดนะคนสมัยที่ต่างหาที่อ่าที่ หลงภูมิใจว่าตัวเองมีการศึกษานะแต่ว่าสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตนี่มันกลับเป็นเรื่องที่แสนจะพื้นมากเลยแล้วก็คิดได้แค่นั้นล่ะหวังได้แค่นั้นล่ะสังเกตในเวลาเดี๋ยวนี้เวลาไปเวลาบินธบาลนี่ก็จะมีหลายคนเลยนะใส่บาทเซ ก, ก็จะจะเอามือจบนะแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานยาวมากเลย ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องขอให้ร่ํารวยถูกวหวยรวยเบอร์แล้วนะขอให้หายป่วยขอให้มีความสรุขในการงานขอให้รูกสอบข้าวหมาทรายได้บางทีรอเป็นนาทียังอธิษฐานไม่เสร็จเลยนะแต่ชาวบ้านนี่สมัยก่อนนี่หรือแม่งคนเท่าคนแก่เดนที่เขาเข้าใจธรรมบ้านนี่เขาอาธิษฐานไม่นานเพราะเขามุ่งเลยอย่างเดียวคือมุ่งนิพพานไปเลย อันนี้ก็ตรงกับที่พูดที่ภาษาลิบุตรนะได้เคยเคยพูดไว้ภาษาลิบุตรนี่ก็เป็นพระอ克拉สาวกเบื้องขวาของพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านเคยพูดว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานนะย่อมไม่หวังอุปธิสุขหรือว่าหวังพบใหม่อุปธิสุขก็คือโลกเยสุขก็คือสุขอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะคือขอให้มีความร่ำรวยมีความสวยในการงาน เป็นความสุขทางโลกเป็นความสุขทางวัตถุพบใหม่เนี่ยหมายถึงว่าบางคนก็ขอให้แต่ไปเกิดเป็นเทวดาขอให้แต่ไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้แต่ไปเกิดเป็นกรรษัตริย์เป็นเศรษฐีอันนี้ภา ษ, ษาลีบบอกว่าบัณฑิตถ้าเป็นบัณฑิตนะซึ่งไม่ได้หมายถึงคนจบปริญญาแต่หมายถึงเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเนี่ยก็จะเมื่อให้ทานเนี่ยก็จะไม่ได้หวัง อุปทิขหรือว่าหวังพบใหม่แล้วหวังอะไรก็หวังกําจัดกิเลสและการไม่ก่อพบไม่ก่อพบเนี่ยเขาไงก็คือนิพพานพอท่า น, นิพพานแล้วก็เรียกว่ามันก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะหลุดพ้นจากวตาสงสารเพียงเท่านั้นอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิต์นะคือเมื่อให้ทานก็หวังนะยังมีความหวังอยู่แต่เป็นการหวัง ที่มุ่งกำจัดกิเลสและการไม่เกิดหรือการไม่ก่อบพบใหมนะ่ก็ตรงกับที่เราสวดสาธยายตอนกรวดน้ำตอนเย็นนะก็คือว่าให้สุขสามอย่างล้นให้บรรลุถึงนิพพานพรันนะแล้วก็ในตอนต่อในตอนต่อท้ายตอนต่อมาก็จะอธิบายว่าเนี่ยบรรลุถึงนิพพานพรันได้ไงก็เพราะ ตัดตหาอุปทานสิ่งช่วในดวงใจมาลายสิ้นจากสันดานทุกทุกพบที่เราเกิดนะขอให้มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพลิดเลิเป็นเครื่องขูดกินแหลนหายโอกาสจะพึงมีแกม่มูมานสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประตุสไลด์ทําลายล้างความเพี่ยนจมและ ท, ทั้งอธิบายต่อไปขอว่าเนี่ยอย่าเปิดโอกาสแก่มารสิ้นทั้งหลายด้วยเด็ดบนนักสิบป้องนะโอกาสจะพึงมีแกม่มูมานเทิน อันนี้ให้เราตั้งจิตแบบนี้นะมันก็จะช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐกว่าแล้วก็จิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะพวกเราแน่นอนเราก็ต้องหวังความความสุขความเจริญในเรื่องงานการนะเราได้งานการเราก็ดีใจนะเป็นข้าราชการเราก็จ ะ, ะมีหลักประกันมากขึ้น แต่ก็ให้รู้ว่านั่นเป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นนะเราต้องก้าวไปให้ถึงประโยชน์หรือความสุขที่สูงไปกว่า น, นั้นก็คือความสุขใจนะที่เกิดจากการที่ได้ทำความดีหรือว่ามีคุณธรรมในจิตใจหรือเกิดจากการที่จิตได้แล้วการฝึกฝนนะที่เรามาวัดนะก็เพื่อให้เราได้นะได้มาฝึกฝนจิตใจโดยเพพาะ การเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวนี้ก็เป็นเป็นกุญแจที่สําคัญนะที่จะนําเราไปสู่ความสุขที่ประเสริฐสู่ชีวิตที่สงบเย็นและปร่งเบาและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เป็นการบ่มเพาะคุณธรรมด้านอื่นด้วยเช่นปลูกศรัทธาให้เรามีมากขึ้นเข้าใจในเรื่องพรัตนาตรัยนะแล้วก็ได้มีโอกาส รักษาความประพฤติให้มีความสุจริตนะกายวาจาทิศาก็ทาให้จิตใจสะอาดไปด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันนะโดยมีความสุขจากวัตถุนี่เป็นเครื่องอเป็นฐานไม่มีก็ไม่ได้นะไม่มีก็ไม่ไดนะ้เพราะว่าถ้าเราไม่มีไม่มีทรัพย์สมบัติเราอยู่ในภาวะที่ยากจนเป็นนี่เป็นสินอันนี้ก็ คงจะมีความสุขใจได้ยากพระพุทธเจ้าเองก็ตัดเลยว่าการเป็นหนี้นะเป็นทุกข์ในโลกนะความเจ็บปวยก็เป็นทุกข์ในโลกเหมือนกันฉนั้นเราก็ต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการที่จะทําให้ชิวขงเราเนี่ยมีอย่างน้อยก็มีความความความสุขทางกายเป็นเบื้องต้นแต่ว่าอย่าพอใจเพียงเท่านี้นะต้องกล้าไปสู่ความสุขทางใจ และความสุขทางใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากโชคชะตาไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานนะแต่เกิดจากการที่เราได้ได้ลงมือทำด้วยตัวเองลงมือทําอะไรก็คือทําความดีนะแล้วก็การทําสมาธิภาวนาแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ที่การวางใจด้วนะเราวางใจให้ถูกวางใจให้เป็นถ้าเราให้ทานแต่เราวางใจไม่เป็นเราคิดแต่ว่าเราจะได้อะไรจะได้อะไรเข้าตัวโดวยเพราะ อ่าสิ่งที่มาสนองกิเลสตัณหาตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเราจะเลยงอกงามได้ช้าทำบุญถ้าทำไม่เป็นกิเลสเพิ่มเพิ่มพูนนะทำความดีหรือไม่รักษาศีล น, นะก็อาเกิดความหลงขึ้นมานะเช่นเกิดความรู้สึกหลงตนว่าฉันดีฉันประเสริฐอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะพเจ้า ในบางที่พระองค์ตัดเลยว่าคนที่ทำความดีแต่ว่าหลงตัวยกตนข่มท่านดูถูกผู้อื่นนี่ถ้าเรียกว่าเป็นอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษคือคนที่ไม่ใช่อสัตบุรุษก็คือคนไม่ดีนะถ้าบอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทรงจํา มีความรู้ในทางธรรมคือพหูสูตรหรือว่าเป็นคนที่ทรงจําวินัยได้แม่นยำํำหรือว่าเป็นนักเทศคือธรรมกระถึกหรือว่าเป็นคนที่ศีลเคร่งครัดนะฉันข้าวกินข้าวมื้อเดียวอยู่ป่าเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดผมผ้าด้วยผ้าหอ่อศพดูเก่าคร่ําคร่าซึ่งดูเคร่งแต่ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ย ปฏิบัติแล้วเกิดยกตนข่มท่านเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าประเสริฐกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอสัตตบรุษนะปฏิบัติผิดทางแล้วทั้งนั้นที่ดูภายนอกก็เออดีนะนะบิณฑบาตเป็นประจำหรือว่าฉันข้าวมื้อเดียวหรือว่านอนป่าไม่นอนกุฏินะเรียกว่าบมเพ็ญ ท, ทุดดงควัตนะชาวบ้านก็เห็นเห็นผ้าที่ถือศีลถือวัดแบบนี้แล้วก็นับถือศรัทธา แต่ถ้าข้างในใจเนี่ยนะเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ก็คือว่าหลงตัวลืมตนยกตนข่มท่านดูถูกคนที่ไม่ไม่เคร่งเหมือนตัวว่าเป็นผู้ไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่ละเป็นอสัตตบุรุษหรือแม้กระทั่งคนที่เวลาจะทำอะไรก็คิดแดกอยากจะอยากจะได้อยากจะเอานะ อันนี้ผู้จับว่าเนี่ยคนที่หวังพบใหม่อยากมีอยากเป็นไม่ว่าจะทำอะไรแม้แต่จะบําเพ็ญสมาธิเพื่อให้ได้พิญญาหสมาบัติ8ก็ถือว่าบําเพ็ญวิชาปฏิปทานะดูภายนอกเนี่ยเออเขาทำสมาธิเขาเจริญภาวนาได้ก้าวหน้า แต่ถ้าหาว่าทำเพราะหวังจะได้เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้ผูจ้จะว่าผิดทางนะเรียกวิชาปฏิปทาแต่คนที่ไม่หวังพบไม่หวังการเกิดไม่หวังจะได้โน่นได้นี่แม้ทําอะไรแม้ให้ทางเพียงเล็กน้อยก็เป็นสัมมาปฏิปทาอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องจิตจิตใจทําความดีด้วยกายวาจาก็ดีแล้วหรือว่าทําความเพีย บำเพ็นภาวนาก็ดีแล้วแต่ว่าใจก็ต้องตั้งหรือวางให้ถูกด้วยคือมุ่งเพื่อการลดการละนะแล้วก็เพื่อความอ่อนน้อมถนมตนไม่ไม่หลงปลนเปื้อกิเลสหรือว่าหลงตัวลืมตนอันนี้มันก็จะเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตใจเจริญก้าวหน้าทาให้การปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทาทาให้บุคคลนั้นได้ช่อเป็นสัตบุรุษนะ เป็นคนดีก็ต้องดีจริงนะคือดีทั้งข้างข้างนอกและข้างในนะข้างนอกดีแต่ว่าข้างในดูถูกคนอื่นนะถามว่าเขาไม่ดีเหมือนตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นผูู้เจ้าไมิเรวัสตตะบุรุษนะเรียกว่าอสตตะบุรุตอันนี้เราก็ต้องต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการทําความดีหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเข้ามาสู่ข้างในทําข้างนอกดีแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการถือข้อวัดการปฏิบัติธรรมการบําเพ็ญภาวนาดีแล้วแต่ว่าก็ต้องให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใจนะคือกิเลสตัณหาลดน้อยลงความยึดติดถือมั่นลดลงนะมีเมตตากรุณามากขึ้นนึกถึงพูดให้มากขึ้นอันนี้แหละจะเป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติแล้วก็เป็นหลักประกันของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทําให้มีความสุขอย่างแท้จริง แล้วก็จะเป็นฐานไปสู่การที่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตก็คือปรมารัาถะหรือนิพพานซึ่งเป็นความอิสระเป็นความสงบเย็นอย่างยิ่งคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้อา้าวครับ